ทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคําพูดเป็นเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นน่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเองมีแต่ความคิดหายเต็มหัวใจอืม ทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วดังนั้นมันก็ปิดบงังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความลู้ความเห็นไปว่าถ้าพาุ่าพุมหน้าชา้นหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นหย่างนผู้ที่ว่าพุมหน้าชั้นหน้านั้นแหลคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลํดาดับลำดับต่อเนื่องเหมือ น, น, นกับก้าวขาเดินนั่นเอง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 ไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่ ว, วไปท่านจึงเรียกว่าอาัจฉริยมันปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวต่อเห่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างละล้อท่านๆนี่เองท่านนั่เรียกว่าอาัจฉริยะสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ วิเลศวัตตน์มันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอรู่ทั้งภายนอกภายใ น, นมีวิชาของรพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบั ง, งจิตใจ อย่างมิคิดเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็งมีธรรมะของรพระพุทธเจ้านี้เทา่านั้นแล้เครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัจจิมาปฏิปัฏาขนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจริงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชชิ ม, มาคือศูนย์กลางผูดถึงเรื่องว่ความเกิเดเจ็บตายทังนี้ท่านแสดงในวัฏจักรปิฎกุขาชร า, าปิฎกุขาท่นแสดงถึงเรื่องทุกนในอายะศาสีพอพูดอย่างนี้ก็กระเทือ น, น, นไปทั่วโลกกร ท, า, ท, า, ทาชาติฎกุขาชราปิุกุขามานําปิฎกขังโซกับไปเทียวทุกภพทนกภพทุกไปชาปิฎกุขา มันเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแกว้วสัตว์เขาไม่ทราบนั่นสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดอ่อนเหมือนอย่างเราขณะมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติเพราะพระเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นะในอายะจัตสีมันแสดงไว้ในธรรมจากกัปปวัตตนสูตร สมุทัยอายะสุตจังคืออะไรนันท่ราคาตารคตาตะตะตรายพินานิมีเสยที่ดำกามตัญหาพระวัตัญหาวิภวตัญหาเนี่ยสามอย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของพิเลธทั้งหลายอันคดแสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้ว ความเราจะทราบความจริงดิส่านแสดงนั้นแหละว่าแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติตเป็นทุกขาใชรับป็นลูกขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผููรับทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปเรื่องรูปเ ร, ราอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้ท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ ด้วยชาติปิตุขาเขาผู้กิตผู้นักก่อขําเหนิดอเกิดซึ่งเป็นผุรับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่ง น, นี้เป็นทุกข์ให้กิจได้เห็นโทษในะสิ่งของ น, นี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชาลาปิดูขาแม่นําไปทุกขังและเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชราลาข้าวข้าวก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้หนโทษแห่งความทุกข์นี้ เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ใ่เพื่ออะไรอ่างท่านที่แสดงไว้ใน อ, อันนันแต่ละปณสูตรก็เหมือนกันมาสิ่งนั่นเจยดแทนสิ่งนี้เจยดแทงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธ อะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจมันผู้รับเราะทั้งหมดคอยให้เห็นในสิ่ง น, นั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้คือไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยอเทศไม่ในนี้จากจิตนเทศอยู่ในจิตล้วนๆในข้อที่สามท่านั้นนิโรธอนิยสัจนิโรธะอนิสัจจังหมายถึงถแสดงอนิยสัจ ท่านให้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทํานิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสาคัญขึ้นสมาธิตื่นสมาสังฆโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นําเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทําให้งานแหลกเห ล, ล, ลี้ยกลื่นเป็นหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทำงานให้เสียไปด้วย ให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานเ น, นี่ในม้าแฝดก็สัมมาทิฏฐิสามมาสาัมมาสังโประหมายถปัญญาเป็นผู้นำนสัมมากรรมวาจาสัมมากรรมมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสามาธิาเหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือจะเลือกชอบจะเลือกชอบก็เลือกที่ไหนเนี่ยเลือกชอบคล้ายๆป้าเทร้าอ่ะ นอกคําว่าชอบคืออะไรแล้วเราลึกที่ไหนซึงจะเรียกว่าชอบเรลืกอยู่ใ น, ในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมแหน่พอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สมาสมาธิเมื่อเราลือกชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันจะรู้แล้งรู้นี่หลอกหลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนะกะการกรองสิ่งเหล่า น, นั้นว่าผิดหรือถูก มีมัดแปดเรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานคือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทําทด้วยข้อปฏิบัติด้วยสมาทิสิตสัมมาสังกปรจงทั้งสัมมาสมาธินีอาการแห่งการกระทํา ท, ทั้งแปดนี้เป็นอาการที่จะทํานิพพานให้แจ้งทลังนนี่รอดนี่รอดคือความดับทุกข์มันดับได้ ถ้าถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องนังที่กล่าวมานี้ทไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับจะวนวันดั่งคำ่ำคืนยังรุ่มก่อน ย, ยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกเป็นหาทงงางวางจิตใจไม่ได้ทรมาทั้งหมดสอนออกมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัตตะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจ ครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อาทายเทครังแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นครังแห่งธรรมขึ้นมาวัตตะก็ยุวตะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทศสิ่งที่เป็นวัตตะออกที่วัตตะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียววพสิทธานที่ที่โลกภุมรังเราถาได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมด มันก็เตือนร่วงขึ้นมาในฐานที่ลบลุงรังนั่นแหละนจิตเวลานี้มันลบลุงรังด้วยอะไรความโลภก็อยู่ทับผมอยู่ที่จิตปกคุมที่จิตความโกรธความหลงที่เลนน้อยใหญ่มันปกคุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่เลี้ยที่กายมันปกคุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของที่เลนไม่ใช่ตัวที่เลนจริงมันปกคุมอยู่ที่นี่ ท่านจึงสอนลงที่นี่แลจิตใจมีความเกี่ยวเรื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยกไปหเห็นพุทธเห็นพายตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องจนพิจารณาเรื่องรูปอิ่มเสียเรื่องกล่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันจึงไปติดไปพันไปเมื่อใายชอบใจหรืเๆๆอเบียดคําต่างๆแยกดูนั่นแยกรูก้จิตทั้งตัวเองแหมสอนไปข้างนอกก็ควรจะรู้ทางนอกให้รู้ทางในสอนข้างในก็ให้รู้ทางในโดยลำํำดับ ธรรมะทั้งหมดเป็นจรงรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทางนั้นเพราะใจเป็นตัวการน้ำคันหรืยว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกหละ่ะจอมปราดก็คือใจเมื่อชนระสิ่งที่โง่เขาออกจากขีดใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำหนักลำหักความโ ง, ออ ง, ง, ง่ออกอย่าง่งเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นตัวเต็มพู ท่านทิศสอนเนีพิจารณาที่นี่ชาติคือตัวขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมานี่มันเป็นยังไงมันเกาะกอบความมุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี่แต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแต่หาเดินเดินก็เปลี่ยนแต่หายืนแตหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในยาบทใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมา เพราะนั้นอียาบทจึงเป็นเครื่องบันเทาขันอันนี้อาจจะเทียบูมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะ่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยๆมันร้อนเอ่าพังไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือนะ่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมัน เราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบันเทาเนี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนมาทั้งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยยุนแรงอะไรมากนกะพอบรรเทากันได้นะขณะที่โยนถ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดนิดจนมาทั้งถึงที่ที่สลัดปัดทิ้งนีอันนี้ก็เหมือนการทา่าขานันนียเปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไปขึ้นบนอากาศนีเ่เดินนั่งนอน ถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองไงแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลาบากในร่างกายอยื่นานๆก็ลาบากอยู่นานก็ลำบา ก, นานาน ก, บากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระาทาั่งถึงวันตายนั่นที่ดูสิวันตายน่ะวันสนัดปัดทิ้งถนัปัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่มีอธาตุขันในกเราจะพิจารณาอ ย, ย่างไง เว่ามีจิต ข, ของเรามันดิ้มันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยดอมวางเลยอพิจารณาลงด้ปัญญามีไว้เพื่ออะไรหลงต้มตแจงจริงก็ไม่ได้ราไว้สำหรับแก้สิ่งที่มงมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอาา่าขันนี่หละเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจญญารณา ทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริ ง, งมันอยู่โดยสม่ำเสมอวมื่าทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกอืเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตะวันดังคำคืนดังลุงนี้ตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยเลยจงกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบรับทรบาบอาการความจริงเพราะความคล่องแคล่วกล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาทั้งสองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้น มันยังตื่นเต้นอยู่ก็พิจ า, า, ารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอพอตัวพอตั ว, ตวรรเรื่อยๆไปเหยียนวิชาแก้วัตะบุภายในจิตใจต้องเรียงอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทําได้ยากอันตรีแบบนี้กรรมฐานเนี่ยนไงทเขียนไว้ในปฏิปทา ของพระกรรมฐานตาท่น า, านจั้นกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนั่นกรรมมาแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรื้วัตาสงสารออกภนัยจิตใจน่าจ่การพิจารณากรรมฐานคือเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรื้พบรู้ค่หรือวัตรลลื้วัตสงสารรื้กี่จะทันหาออกจากจิตใจของตนให้การจะมีวัตตาขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจ เป็นงานที่ทยากต้องหาที่หาตำแหน่ที่เหมาะสมนีม่เป็นสิ่งสำคัญมือหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความพักเยลนในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ตําเร่งที่มาเหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนภาษาวกเวลาที่บวชแล้วลุกขโมยเส้นนาสนางเป็นต้นอสอนให้ไปอยู่ตามแต่ตัดใจเขาลุขโมลนกไม้ ในธรรมในเหื่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เปความสะดวกในการบาเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบการกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือฤิ์ให้มันชิงซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ป่วยไม่ได้คํานึงคํานวณ น, นี่แต่ว่าการประกอบความภากเปียนจนในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในากในารแก้กิเลอสอาสวะแต่โดยลำหนับลำหนับสถ า, านที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รืออ้อถอนกิเลสด้วยกรรมาฐานคือ ง, งานอันใดตัวนี้น พรพธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปทาไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นาสดางเป็นตนสอนลูกขมูลรมไม้เที่ยวารป่าตามเขาส อ, สอนให้บินขมบาทหาด้วยกำลังตีแข่งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการสแสดงหาสแสดงหาโดยวิธีอื่นอนเนี่ย สอนไว้อาญเตปโตนั่นต่างตื่นมีบาทของเธอหรือมีบาทของเจ้านะนักท่านบอกไว้เลยทั้งทั้งที่บาทก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาทของเจ้านะนีะ่ประทับใจลงไปอีกทิ่บอกทาใหม่วาบาดของเจ้านะนีะ่ก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้า น, ะนั้นเองไอ้เบญทมาลมาฉัน หาได้มาแล้วเอาลงไปในบาสนั้นนะ่ะไม่มีภาชนะใดสําหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาสน่ะสอนลงไปตรงนั้นเองบาตเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพระสมณะแบบเดินขมาก็บาตลูกนี้อมาฉันก็ลงในบาตนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านถึงสอนว่าอายันเตปัโตไม่สําคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอายังสังคาติเนียอายังอุตราสังโว อัยังอันตรวาสโกนี่สะบงนี่กีวรนี่ภาสังคาติท่านนี่บาศนี่<ม>บอกแล้วให้เราไปใช้เป็นจิตดที่เป็นมาบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสําคัญนอกนั่นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่สั่งสมนั่นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสําคัญขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุด ไปเถิดไปที่ไหนที่เมื่อกี้บอกสถานที่ไปลูกขมูลล้มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุ่เป็นสำนาธรรมนี่ในขั้มคุตการสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบาเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียนและทางกติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเกลสกองทุบ ท, ทึ่งมีอยู่ภายในปิตใจและฝังจมกันมาเปรนเวลานาน ให้หมดชิ้นไปด้วยวิธีการยุทธวิธีแบบนี้ในสถ า, านที่เช่นนั้นเป็นสถ า, านที่เหมาะสมที่สุดอสอนแต่วงกีวอนของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายิ่งกว่านั้นหรือเพือพลุงพลังะมีบาดใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นละ่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดไหนสบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าหัวหลัง เตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดแม่แล้ยุ่งแต่เรื่องดูเรื่องกินไหมการที่จะยุ่งกับความภาคครเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลส ท, ทํางานกิเลสไม่มีมีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียมนีวุ่นไปหมดนั่นก็ผิดจากหลักของศาสด า, าที่สอนไว้แล้วคาว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี้กิเลสตัวไหนจะหา ย, ยาหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากจะแต่รูปแต่ล้านขึ้นมาเต็มหัวใจ แพร่ไปหมดกระจายไปทั้งขง้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่ี่เลสผมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือการมาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิด ก, กับโอวาทคำของพระมุขเจ้าที่แบบมัชชิมาปฏิปทาผิดเพื่อให้ตรงกับนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักถ้าโอวาทีท่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ร่าคาราวาสสอนลงที่หวัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นด้วนเนี้ยแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นมันจะเพื่อสังสงกิเลสเนี่ยทางเราปีงเกี่ยวกับเท้าว่าที่สอนนั้นก็เป็นการสังสงกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไมานไม่สังสงไม่สังสงก็าตามก็คือการสังสงอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก็คิเแต่เรื่องโลกเรื่องสงานเรื่องหุ่นเรื่องว่าไปหมดนันก็อยู่ในป่าธรรมดาเห ม, มือนกระจนกระแตกมันเกิดประโยชน์อะไร อยู่ในบ้านทักคิอาคิดธรรมก็ยังดีกว่าเนี่ยฉันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดก า, การพิจารณาเอาแต่พิจารณร่างกายก็เอาเอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอ ก, ด, นอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่าธรรมาฐานหา้าคืออะไรเพยเสายลมารฐ า, านตตโต ไปถึงนั้นท่านหยุดเสียเพราะคําว่าหนังหุ่งห่ อ, งหอไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์นะว่าบุคคลเมือ่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยเไม่ ว, ว่าเป็นหญิง เ, เป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่าน ท, านท่ันจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านกว่าอาการสามในสองให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่จะรู้อถอนกิเลสต่ อ, อาจากตัวเองนคือนาฏ จะมีความทันทีทํานานแล้วดูอันไหนมันก็เป็นความปีนไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลํำดับลำดับนี่จ่ว่างไงเม่อมันปล่อยวางภาระภาระออกมาด้วยการปินนี้ปิกันนาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะฟุ้งซ่านไปไหนฟุ่งซ่านกับฟุ้งช่านโดยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ้งซ่านไปทําไม หาคำพูดสร้างไม่มีมิจะสงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสมาอยู่ภายในจิตนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามิจตเป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานพันใ น, ในใ จ, จิตใจออกทั้งนั้นไม่มีเพระาะว่าข้อใดที่จะสัมสมกิเลสให้สารโลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมจาบไว้ชอบยิ่งแล้วนิยาณิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นแนจะเป็นเครื่อง น, นําออกจากทุกข์โดยลำหนักๆจนถึง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 ทุกข์ใจมันทุกข์ลังหมากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีความฉลาดตามที่เราไปพิจารณาเห็นตามขงจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นพุกขอย่างนี้รับทราบการอืมทุกข์เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นก็รับทราบความเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับ เราไปปุงแต่งมันได้ยังไงเรื่องของทุกเวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุมแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่ก็ตามธรรมชาติของมันมันดับไปกตามเรื่องของมันฮะการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะระยะเราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงเหรอฮะทนะมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นี้จะทนต่อไปไม่ได้เหรอือทนไม่ได้ก็ปล่อยนะเสียแหน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริง พอทนได้กะทนไปหลวงพุทธเจ้าท่านท่านรับสั่ถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสังถามพระกสปะเป็นต้นเป็นไงกัสสปะขันธมันจงของเธอพออดทนอหรือน่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นน่ะขังพบริการเป็นไงขันธมันจงเธอพออดทนอยู่อยู่บ้างเหรือนะพวกเราว่าสมายดีหรอคือถามเรื่องกองคุกมันจะเอาความสบายมาจากไห น, นเป็นไงสมายดีหรอ ทักวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามนั้นมันฝืนภานจิตชอบคนเขาไปเลยพว่ากับฝืนว่าเอาเข้าไปงั้นแหะทั้งทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะแต่สบาดีหรือภานจิตใจทํงานได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นความทุกข์ที่รุ่มภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไรี่เรศตัวสําคัญสําคัญที่เป็นภายจากจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเลนเลนมันอย่างน้อยเลนเหลนมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องกลดถึงพ่อถึงแม่มัน ถ้าเรางหรือป่าถ้าพูดอย่งนั้นน่าฟังเอ <Yeah. S 1> แล้วเราจะกระทั่งถึงเยังไงปู่ย่าตายายามันตายแล้วยังลูกเหลียงหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายหมดแล้วปู่ย่าตายายาตัวสําคัญมันได้ข้ามแล้วยังนั่น <Yeah. S 1> ข้าแล้วก็สวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก่อนสวัสดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรับสา่งถามมีพระกัสปะเป็นต้นมาเ ป, ป็นยังไงกัสปะ ขันธ บ, บันจบของเธอพออดอทนเหลือท่งนั้นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟัทงที่นักปราชญ์ท่านตอบกันอู้ยนะ่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านั้นเอ๊ถามความสวัสดีอยากให้ถามภายในเไป็นไง ส, สมาดีเหนือเนียสมาดีเ ห, ไไหนือเป็นไงจิตใจเป็นยังไงมีหลังมีเกียวยังไงบ้างหรือเปล่า เรพยายามรักษาตัวบางหรือเปล่าหรือรักษาั้แต่ภายนอกวูบตงแต่ภายนอกหรือเปลือลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบางหปล่าไมองหรือเปล่าตัวสาระสาคัญนั้นหนาหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งหมดนแลเหรออยากให้ดูตรงนั้นอว่าสวัสดีเหรอสบายดีูหรือมันถึงเหมาะสมเหตุการณ์ปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันถามอย่างนะเหมาะสมที่สุดแล้ว แล้วต nah. ุยนาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถถังอุตมังวรังสกตตวพุทธะตังโอสถถังอุตมังวรังสกตธรรมะตังโอสถถังอุตมังวรงสกตตสังขาตังโอสถถังอุตมังวรงข้าพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นโอสถเป็นโอสถอะไรก็แค่ที่เหาอปัญหาอสวะภายในจิตใจของเรล่านี้เองอะพุทธะแล้วพผู้รู้เอาผู้รู้ผู้เลานี่แหละแก่ ธรรมะเจตเด้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจแล้วนับดับโรคความมุ่นวายเป็นหมดสังฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่นี่จะเป็นโอโซดแต่ละแต่ละอย่างน อ, อย่างนี้แต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องทยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธธรรมะสังฆซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะ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 โดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นน่นท่านบอกเป็อันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังขาอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านเลยความประเสริฐทั้งอยู่ที่ความรู้อันนี้อันแก้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคามาหน้าพันในจิตใจเหล่านั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไป สาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยนั่นแหะแล้วไปถึงคําว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี้หรือดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบุงนั้นบุงนี้จริงๆนะแต่นั่นก็มีคําว่าหนองอ้อออนี้เหรอไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้ออ้อนี้หรอถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี้หรือธรรมาชาติพิหารที่แฉลบถอดตายเนั้นปรากฏแล้วเลอนี่อยู่ภายในจิตนี่หมายอันนี้ต่างหาก คนเลยไปเที่ยวหาดูน้ององคน้องอ้อก็ม uh, hmm. ีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้องอ้อที่ท่านจันมั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจออความพข้าใจของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินตองหูจากของเองงั่นเราก็เลยเกิดความสุขสําเร็จขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้เขาไปหาน้องอ้อที่ท่านจันมั่นท่านเจอว่างั้นท่านได้เจอทําอยู่ที่น้องอ้อถึงมันตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอเราก็ยิ้มยิ้มนิดนึงสุดสงบนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ได้ถามเราเนี่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 ทั้งวันทั้งคืนดูน้อยนอนนองอันนี้มันหนองอะไรพาคนให้ลมตุ่นไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหน่องวายความเดือดร้อนอยู่ทีเราจเจอหน่องออบึงออดตรงนี้ทางในจิตใจจะเอาให้หมดอะไรไม่ดีไม่งาม พ, พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าย่าปล่อยยาวางนี้แหละเป็นตัวค่าสึกสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าสึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นค่าสึกต่อเราการพิจารณาขันห้าคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความวาเสื่มได้อย่าง ไม่มีอะไรสงสัยอพิจารณาลงไปรูปจำที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกําหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันหนึน่งเนทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขณะนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นตอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงวันนั้นเป็นความจริงวอวิญังขาอวิญญาณแต่และอย่างอันหนงมันจริงของเขา ถ้ากฏขึ้นมาที่นขณะแล้วดับไปดับไปโ ด, ปดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยม่ไต่เราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดเห็นต่างคนต่างนะนั้นก็ปล่อยการสบายสบายเบิกออกเบิอกบ อ, กบอกอะไรที่มาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแต่งและรักษาจิตใจฉลัดออกได้ ขันก็ขันก็จิดอยู่ด้วยกันข้อจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่ะจะเป็นอะไรไปแล้วเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือเป็นหนึ่งอันเดียวกันก็มานานที่นี้มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นพายต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพี่เป็นทายต่อกันจริงแล้วยังถือว่าเราได้ว่เราเป็นของเราแล้วยเรังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้เนรูปให้เห็นตามเป็นจริงของกันในการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั่น จิต ก, ก็เป็นติดเจือด้วยความบุสุทธิ์ตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใหญหายหมดปล่อยภาะระยากโดยประการทั้งปวสงสิ้นสุดพิมุตไม่ต้องไปหาที่ไหนอืม่มันติดข้องที่ไหนแก้ที่ติดข้อง ไ, ได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้ น, นพทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ไปอยู่และทุกขดับไปแล้วกับพ้นไปได้เท่านั้นนี่ ความพ้นทุกข์ข้อที่หนึ่ักการแสดงธรรมเห็นมาสมเกียติสาธุสิเพียงเ่น